ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังเทา่านั้นแต่รบพระภูติยานได้นำเสนอเรื่องธานบารมีมาโดยลาดับเ็นได้ว่าเรื่องของทานนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมตือคนเราอยู่ร่วมกันนั้นก็ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง ก็มีความขาดตกบกพร่องกันอยู่เป็นปกติธรรมดาอย่างที่ท่านบอกว่าแม้เศรษฐีก็ยังรู้จักขาดไฟบางคนระดับเศรษฐีบางทีก็ต้องทุกงพาอาศัยบุคคลอื่นเหมือนกันาทาิกามาทั้งหมดมันเน้นไปในรูปของการให้เพื่อบูชาความดีของด้านเหล่านั้นและให้เพื่อการสงเคราะห์ ให้ประการุเคราะก็รองลงมาบางคนได้พูดตามข้อความที่ปรากฏในทานในสูตรฐานวัตนะฮะอังคุตรณิกายถึงการให้ทานแปดประเภทบุคคลหวังผลจึงให้ทานบางคนให้ทานเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะได้ให้แก่เราแล้วเขาได้ให้เขาเคยให้แก่เรามาแล้ว แต่บางคนก็ให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนประเด็นตรงนี้ที่จริงเขาพูดคลางไว้ในบนะันก่อนนะครับเวลานี้เราจะเห็นว่าแนวความคิดในแนวที่ต้องการตอบแทนเนี่ยมันมาแรงมันอาจจะมาจากคำวิย์ของฝรั่งที่นำมาใช้ในกรณีต่างๆเป็นนันมาก คือถ้าเรามึงย้อนสังคมเดิมแล้วก็สังคมชนบทกตีเสวาประมาณสามสิบห้าปีที่แล้วนะครับพวกเด็กๆรุ่นนั้นหรือก่อนหน้านั้นผู้ใหญ่เขาให้ทำอะไรแล้วถ้าก็เกิดให้รางวัลสตางค์ขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อก็สบดประมาทดูถูกตูห ม, มิน่นน้ำใจซึ่งกันและกัน คือเราจะให้ต้องมีโอกาสมีการละเทสะที่พอสมควรแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็รีบโลกไปเลยบางครั้งบางคราวมาขอไม่ให้เพราะขีดรถเสได้ซ้ำแล้วก็แม้แต่ไปงานบางอย่างนะเช่นงานศพเผาศพก็ยังมีความมุ่งหวังที่จะได้ของแจก ็นงานแต่งงา น, งงานซึ่งผู้แต่งงานอายุยังน้อยนะฮะผู้ใหญ่ก็ยังคาดหวังที่จะได้รับการลิ้มดูรับของชมรวยในงานแต่เราถึงแม่จะไปทําบุญที่วัดต่างๆคือถ้าเรามององค์รวมของความเป็นวัดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถาถามว่าวัดที่คนเข้ามากแล้วก็รวดเร็วที่สุดเนี่ยต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือกิจกรรมที่ดูดคนเข้าไปมากเนี่ยคือบอกหวยแม่นายหวยแม่นคนจะเข้าไปเป็นหมื่นๆเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยแต่จะอยู่ระยะสั้นๆนะเพราะแกบอกไม่ได้จริงหรอกไม่แม่นจริง ถ้าบอกแม่นจริงๆนะแสดงว่าแกยังอยากเด่นอยากดัง ย, ยังโลภอยู่ก็คงจะบอกญาติพี่น้องรวยกันไปเป็นแถวหมดละ่ะกิจกรรต่อมาก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระเครื่องรางของขลังต่างๆยิ่งปลุกแตกยิ่งพระเด่นดังแล้วคนก็จะมีเป็นหมื่นๆเหมือนกัน้าลองลงมาจากนั้นก็คือมีกิจกรรมที่รูปของการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มันก็ทำขึ้นภายในวัดแต่ว่าคนไม่ได้มุ่งหมายไปที่วัดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคนใหญ่คนโตเข้าไปร่วมกิจกรรมก็จะมีคนมากขึ้นแล้วก็รองลงมาจากนั้นก็คือหลวงพ่อที่มีข่าวเล่าลือในทํานองคล้ายๆกับกศักดิ์สิทธ แล้วพูดจนเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยจะมีอธิริษยอำนาจในการดุลบรรดาลประสิทธิ์ประสันสิ่งที่ตนต้องการให้แล้วก็ตลอดถึงมีของแจกไปทําบุญแล้วก็มีของสมนาคุณเนี่ยมันก็แสดงเหตุว่าการทําทานในลักษณะนี้มันเป็นความคิดแบบตกเบ็ดในสูงขึ้น พระโทธิสัตว์ไม่ไม่ทำทานในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันมุ่งขัดเกลวาพระไทยของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในพระชาติอะไรก็ตามและข้อต่อไปบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานนี้เป็นการดีอันนี้คือชักจะเป็นธรรมมาทิปไตยทานธรรมาธิปไตยทาน คือหมายความว้ า, ามองที่สิ่งซึ่งเรากะทำว่ามันดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองถูกหรือผิดถ้าผิดก็งดเว้นถูกก็ทาเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะยกย่องมายกย่องให้รางวัลไม่ให้รางวัลมีของสำรวยหรือไม่สำรวยจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยจะมีพระอะไรไมาเช่นดูทรัพย์ให้หรือไม่นี่ไม่สนใจเลยเป็นเครื่องประดับจิตใจเป็นคุณภาพในด้านจิตใจ มุงเน้นไปที่เรื่องของบารมีธรรมเราสังเกตว่าการให้ทานแบบประโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ค่อยนำพาถึงความรู้สึกของคนอื่นแต่ประสมเห็นว่าตรงนี้ควรให้ก็ให้แต่บางครางบางคราวก็เสี่ยงอย่างตอนให้ช้างปัจญยนาคเนี่ยเราจะเห็นเราก็เสี่ยงสูงแล้วก็ตกปรวกระดมจนต้องไปอยู่เขาบงโกด ต, ตั้งนานนั่นแหละ แต่ว่านั่นก็คือฐานอบ ร, รมีของท่านประการต่อไปนั้นบางคนคิดว่าเราหุงกินแต่ว่าชนหล่อนะไม่โดงกินก็นี่เน้นไปที่การทําบุญให้ทานแก่พระสงฆ์นะครับก็เรียกว่าสมณชีพรามสมัยพุทธกาลก็เิดพูดพระสงฆ์ทรายใช้คําว่าสมณชีพรามคือรู้แต่ศาสนานั้นมีจิตใจกว้างไม่ต้องพูดว่าต้องทําบุญกับฉันเท่านั้น แต่ว่าจะพูดในลักษณะที่ลดหลั่นกันขึ้นไปเ mm hmm. จริาสงค์จะแมกทานในทักกินาวิพังตะสูตรไว้ถึงสิบสี่ระดับก็เรียกว่าตั้งแต่สัตว์ดิริชานขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงจนถึงอุปโตสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกหมายความว่าทวายเกษสงทั้งสองฝ่ายพิสุสงพิทูุนีสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกและพระสงฆ์ตรงนั้นเป็นพระหันด้วยนะฮะก็ถือว่าสุดยอด สุดยอดในทานแต่ไม่ใช่พวกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยบอกว่าสัมปทาคุณนะฮะ เ, เคยเล่าเรื่องของท่านปุณณะุณทาธาตุหรืท่านปุณณาเศรษฐีในการต่อมาคือคือท่านปุณณเศรษฐีพวกนี้มันก็จะสัมปทาคุณวัตถุสัมปทาคือบุคคลผู้นั้นเป็นพระนาคามีกับพระอรหันต์แล้วก็สองสิ่งที่เราให้ได้มาบริจาคนั้น แต่ของที่ได้มาในทางที่ชอบทาแล้วก็สามเจตนาทั้งสามช่วงคือก่อนให้ขณะให้หลังให้นี่มันดีแล้วก็คุณาติเรกสัมปทาคกอท่านผู้นั้นออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆซึ่งคนเข้านิโรธสมาบัตินี่ได้นี่ ม, นมีสองพวกนะคือประโสดาบัายพระนาคามีกับพระอรหันตานันเดก แต่ด้านถ้าก็เน้นไปที่กลุ่มสองกลุ่มนี้แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเราก็ถวายทานกับท่านเป็นคนแรกแต่ในากรณีของอุปตโตสงฆ์สองฝ่ายเมื่อพระยาเป็นประธานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับจะออกหรือไม่ออกจากนิโรธสมาบัติแต่ว่าด้วยด้วยความบริสุทธิ์สะอาดของท่านเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะเลยเนี่ยมันเป็นเงื้นาบุญอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ความคิดจริงไม่ต้องไปคิดมากคิดว่าเราทํามาห้กินประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะฮะแต่ว่าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพเราก็ให้ท่านบางคนให้ทานเพราะนึกว่ากิตติศัพท์อันงามย่อมพุ่งไปไอ้ น, นี้ก็อยากเด่นอยากดังนะฮะมีการเสนอหน้าหน่อยเป็แนแนวความคิดรุ่นใหม่เป็แนแนวความคิดรุ่นใหม่เราลองสังเกตเราเขาจะทําอะไรเนี่ย คือเขาจะโชว์ตัวเองเช่นสมมติว่ามีการให้รางวัลมีการรับรางวัลเนี่ยคนทั้งสองคนนั่งไม่มองหน้ากันเป็นคงแปลกไหมแต่การจับมือนะฮะตอนที่ไรอังทัดเดี๋ยประชุมอังทัดก็ลองสังเกตดูข่าวเออแปลกเขาจับมือกันแต่ไม่ได้มองหน้ากันแล้วต่างคนต่างก็แอคชั่นมองกล้องกันหมดเลยแล้วเป็นระดับใหญ่ๆนะตัวเป้งๆเลย เราคิดแปลกคือไม่ได้มองว่ามันผิดธรรมชาติคนที่จับมือนั้นแสดงว่ามีเมตตรีต่อกันใจประสานใจตาประสานตามือประสานมือมันต้นแสดงอย่างนั้นไม่ต้องไปแอคชั่นถ่ายภาพหรอกแต่มันเป็นการสะท้อนจากใจที่ประสานสอดคล้องกันการงานวันกันรับรางวัลเนี่ย คนรับรางวัลจะต้องสํานึกคุณคือมองตาท่านด้วยความสํานึกคุณแล้วก็ผู้ให้จะต้องมองตาผู้รับด้วยความมุติตาจิตเห็นไหมฮะทั้งสองฝ่ายกําลังปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าจับมือแล้วก็มองมองกล้องโทรทัศน์เนี่ยทั้งสองฝ่ายกําลังแสดงความโลภความอยากเด่นอยากดัง เป็นการโชว์ตัวเองอา ต, ตมารู้สึกเบื่ออย่างหนึ่งเวลาเขาไปนิมนต์ในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างราชการนี่เบื่อบางทีส่งแบบให้กรอกประวัติปไปยาวเหยียดเลยไปกรอกให้เราบอกว่าคุณนิมนต์อาตมามาเทศนะไม่าชาตมามาสมัครงานกับคุณนะคือบอกว่าพระพูดก็พอแล้วไม่ต้องไปบอกอะไรละเอียดพิสดาร เราไม่ได้มาโชว์ตัวเราเรามาโชว์ธรรมะเรามาแสดงธรรมะเท่านั้นเองแล้วถ้าคุณจะนับถือจะสนใจสถถัตตาก็สัตตาพระรัตนตรยัยนนท์ไม่ต้องมาสัตตาเราหรอกเราก็ชอบอย่างเงี้ยเขาชอบชอบอย่างน้อยเขาบอกว่าเอาก็บอกไปนะเมื่อกรร่อนเนี่ยสมณะสักตมาเนี่ยมันคล้องจองกับชื่อวัดบวรโสพลขนาพ ร, รวัดบรรวร น, นิเวศวิหารพระราชาธรรมนิเทศบวร น, นิเวศวิหารตัว น, นี้เป็นวัด บิลบุ๊กนี่เลยไม่เคยคลองจองก็สะดุดนิดหน่อยแต่ก็บอกเท่านั้นแหละบอกว่าพระทิพนั้นมาจากวัดนั้นก็ไม่ต้องไปไปสนใจคือให้ความต้องการแกีติธรรมะก็เรียกเคารพธรรมอันนี้การการให้ทานที่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยที่จริงมันได้ผลนะ ระเด็นว่าใครก็ตามจัดกิจกรรมเช่นสมมติเรารายการวิทยุเนี่ยแล้วก็ประกาศอนุมโอธนาบอกญาติโยมคนนั้นบริจาคเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยได้เงินเดือยนะอ่าเคยพบวัดหนึ่งที่พอออกรายการวิทยุอยเยอะเนี่ยก่อสร้างอะไรๆกิจกรรมหลายล้านมีเงินเข้าเยอะก็คนก็ชอบอย่างนั้นแต่ว่าคือในความรู้สึกละมึนก็เสียบรรยากาศของการเผยแพผ่ธรรม ก็สมัยที่อยู่ต่างจังหวัดก็พบภาพในลักษณะนี้เวลาพระเทศแล้วก็บางทีเ็าเรียกว่าไปตีปลาหน้าใสในงานเขาเทศในงานเขานะฮะแต่ว่าพวกดีกาตัวเองไปบอกบุญบนธรรมานแล้วก็เตือนเตือนกันบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าตีปราหน้าใสนะครับเขาไม่ทำกัน เพราะมันมั น, ม, นมันมีอะไรเพื่อตัวเองอยู่เยอะแต่ว่าทานเนี่ยมันเป็นการสละออกนะทานเป็นการสละออกไปก็ให้นะฮะดาธานในความให้หรืยตรงเลยไม่ใช่ได้นะได้ก็คือคุณภาพจิตเขาเป็นคนได้สิ่งที่เราให้เรานั้นได้บุญคือความสุขใจที่ได้ให้มันไม่ใช่ได้การยกย่องสรรเสริญ รางั้นต้องรอเยอะเลยนะต้องรอวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์บางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตเนี่ยประณีตมากเราจะเห็นว่าความคิดสองสองประเภทเนี่ยคือการให้ทานเป็นการดีการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตประดับยังไงคือทำให้จิตเรามีเรามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณโทษเห็นคุณของการให้ทานเห็นโทษของการไม่ให้ พวกคนตายไปเกิดเป็นปู่โสมเขาสับมันมีหนังสือฉบับเด็นนานมาแล้วเรียกนายพรานคืนศีลเป็นรุ่เป็นหนังสือคำกรอนก็แต่งมาจากชาดกคือใจความว่านายพรานคนเนี้ยไปรับศีลกับพระรูปหนึ่งพอ ร, รับศีกลก่พระจับศาสตร์ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเมียก็ยุ่ใหญ่เลย แกก็บอกว่าตอนนี้แกรับศีลจากพระมาแกก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียบอกไม่เอาศีลไม่เอาเอปาปลาเอาเนื้อเอาสัตว์ไปจะคืนศีลเขาแกก็ตามพระไปเนียตามไปไปจะคืนศีลแล้ววปพบอะไรต่ออะไรเยอะบนเส้นทางเนี่ยแล้วก็สะท้อนนิ้กฎแห่งกรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยพอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เล่าใฟังคนนั้นไม่ชาติก่อนเป็นอย่งังไงยังไงทํากรรมอย่งังไงยังไงมันก็เป็นการ สอนดีแพร่หลายคือว่าคนชอบฟังเป็นบทกลอนแล้วก็มีนิทานแล้วก็มีตัวอย่างบุคคลอะไรต่างๆมันก็แสดงอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะฮะที่เจอระหว่างทางก็เป็นพวกที่สนิทหวงสิ่งตัวเองก็ไม่ให้แก่คนอื่นบางทีฟังท ร, รับเอาไว้ก็ตายเกิดเป็นมูเหลืองเฝ้าจอมปลวกอยู่อะไรต่างๆเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นที่ฟังท ร, รับตัวเอง แต่ผู้ให้นั้นมันจะปล่อยวางแล้วก็ใจจะลอยคือไม่ไปยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เป็นของโลกแต่ละอย่างนั้นสรุปแล้วก็เป็นการขจัดโลภะตุศมาโมหะในส่วนของเจตนานั้นขจัดโมห oh ะมันก็กลายเป็นปัญญาในส่วนของวัตถุก็ขจัดโลภะขจัด มัจฉริยะคือความสมีก็เป็นส่วนโลภะกัโทสะแล้วในตัวคนเนี่ยคือขจัดโทสะมันเกิดก็แล้วแต่จะเกิดอะไรนะฮะความรักความเคารพความนับถือความศรัทธาความภักดีความเลื่อมใสการเทริดทูนก็ก็ไม่รู้ก็คือว่าเรามียิ่งมีความรู้สึกดีต่อผู้รับเท่าไหร่ ใ, ใจเราจะผ่องแผ้วมากขึ้นทั้งนั้นคือบางทีพอให้แล้วเนี่ยจะเป็นสุข อย่างหลวงพ่อหลวงปู่บางรูปที่ท่านเด่นดังแล้วก็คนก็รบนับถือเนี่ยคนเอาของไปถวายมีเงินเป็นฟ่อนฟอนกันเลยแล้วเขาก็เป็นสุขที่เขาได้ถวายหลวงปู่ท่านก็นั่งอนุโมทนาเฉยแต่ก็บำเพ็ญกุศลให้ต่อไปคือเพิ่มบุญให้แ ก, กเขาด้วยนะฮะเป็นสาธารณะมากยิ่งขึ้นทีนี้ใน พวกทานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งนี่มั น, ม, นมีลักษณะเจือกิเลสคือว่าใจมันไม่ค่อยผ่องแผ้วแต่ว่าก็คือเป็นบารมีระดับหนึ่งเพราะเป็นการเก็บการสะสมตัวนี้ก็แสดงไว้ในฐานาันตุฐานาวังคุตรนิกายเหมือนกัน ก็บอกว่าบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันอันนี้มันเป็นรูปของการอนุเคราะห์หรือสองเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นการอนุเคราะห์นะคือชอบพอกันเป็นการส่วนตัวแม้แต่ไปทําบุญตักบาตรหรือว่านิมนต์พระถวายทานเราจะอะไรเราจะเห็นว่าอาศัยความผูกพันเป็นการส่วนตัวบางทีก็นิมนต์พระสิบองค์สิบบาทเลยเอาเฉพาะที่ตัวเองรู้จักแล้วก็สิ้นเปลืองงบมานเยอะนะค่ะน้ํามันค่ะรถรถต้องช้าต้งสิบคัน เพื่อจะรับพระมาที่จริงสมรถตู้ไปคันเดียวก็รับได้แล้วแต่ว่าใจคนเนี่ยมันส่วนใหญ่บางคนนึกถึงลักษณะแล้วเนี่ยก็ความความคุ้นเคยความเคารพนับถือก็คเคยประรอบกับท่านจคุณที่วัดเนี่ยบอกว่าแมมมันเสียเวลาจังหนะ้เรื่องสวดมนต์ชั้นเพลสนสวดมนต์ชั้นเช้าสวดมนต์แต่งงานสวดมนขึ้นบันใหม่เนี่ย เขาก็บอกไหมมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่จะขึ้นบ้านใหม่ก็แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นลูกศิษย์แต่มันก็แต่งงานครั้งเดียวนะฮะขึ้นบ้านใหม่ครั้งเดียวก็ต้องให้อาจารย์ต้องการเนีอาจารย์ไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราจะไม่สงเคราะห์ลูกศิษย์ขณะนั้นก็เกิดไปแต่ว่าพอไปมันก็ขิดเวลาเยอะเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่ที่จริงในชีวิตแก่ๆ ก, ก็ครั้งเดียวนะฮะแต่พอดีลูกศิษย์เยอะนะพระนี่ลูกศิษย์เยอะ สอนหนังสือแต่ละปีพระใหม่แต่ละปีดีเยอะแต่เราก็จําเขาไม่ได้แล้วก็จําเราได้พอถึงเวลาก็ต้องการสิริมงคลก็ก็มาหาเขาไม่รู้จะว่าจะไงก็ช่วยกันทั้งนี้แสดงว่าผู้ให้ผู้นิมนต์เนี่ยเขาใช้ความชอบพอความสนิทสนมความคุ้นเคยบางทีก็ให้ทานเพราะโกรธคือโกรธอะไรล่ะมันแบบประชดประชัน呐 ไปชดประชาหรือเขาขอหรือเขารบกวนหรือถูกเกณฑ์หรือถูกอะไรต่อไรต่างๆที่เคยเล่าเรื่องนางปัญจปะปรียเอฟังไงเห็นไหมแกให้บริจาคดินนั้นเพกโกรธนะครั้งแรกเนี่ยให้เพราะกรธแล้วก็บางทีให้ทานพระหลงโดยไม่มีเหตุผลอะไรคราวๆในเรื่องนี้มันเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่ ส, ส, สิบสีบ่สิบห้าหสิบห้าม ก, กรา นีข่าวที่เกี่ยวกับอะไรที่วางน้อยที่โรงเจอะไรนะก็ปรากฏว่าเป็นข่าวคราวในทํานองที่ว่าคืนผู้หญิงโยงคนชาวบ้านชาวบ้านนะฮนะแกรั่วถูกหลอกเลยแต่ก็แปลกไปญาโทยจบทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องจริงคือเรื่องเหล่านี้ก็มีการจัดการนะฮะบริการจัดการที่ดีก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าผ่านตรงนี้บ่อยก็ขึ้นไปทางเหนือนี่บ่อย เห็นาเอ๊ะทำไมมันขึ้นเร็วจริงอันนี้มองไกลๆก็ก่อนจะถึงวิทยาเขตวัมหาวิทราลงกรนะครับก็ดูท่าทางสวยรงเกดก็ท่าทางบริเวณก็กว้างขวางนะฮะและกระเด็นดางมากที่น่าน้อยใจก็ไม่ทราบว่ามีพระผู้ใหญ่แถวอายุทยาฟังอยู่ม้่งหรือเปล่านะมีภาพพระไปนั่งไหวผู้หญิงที่เป็นร่างทรงอยู่เนี่ย เราควรจะไปสื่อให้รู้ว่าเป็นพระที่ไหนแล้วก็หารูปถ่ายมาให้ได้แล้วก็เรียกมาอย่างน้อยก็อบรมตักเตือนที่มักนก็แนะนําให้ศึกไปซะเลยคืออย่าให้อยู่ได้โง่อ ย, อย่างนี้แล้วก็อจามันอยู่เป็นพระได้เสียเวลาเปล่ า, ลาคือวันบางทีนี่เราก็ไม่รู้ยังไงนะแล้วคนเหล่านี้บางทีนี่มันเป็นผู้สวงหาประโยชน์หรือบางทีอาจจะปลอมบวชหรือบางทีก็บวชใหม่ก็เชื่อความเชื่อดังเดิมมันพูดยากมาก แต่ว่าทำลายสถาบันสงุนแสดงว่าพระสงฆ์เองซึ่งตอนเข้าโบสนับถือประกาศจนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพอเสร็จแล้วก็ไปไหว้ผู้หญิงที่อยู่ในร่างสงฆ์อ้างร่างสงฆ์และทรงพระศสีรยระยเมตรไป ด, ด้วยนะแล้วก็เนี่ยคือคือเป็นเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมันหลง คือพระเสียรยเมตรไพรเนี่ยมันไม่มาลงโรงหรอกเพราะท่านเป็นอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนุ่นมันเสวยที่ไปสุขแล้วไม่ต้องมาสร้างบา ร, รมีอะไรแล้วท่านรอเวลาจะรู้เท่านั้นเองมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็ไปเชื่อกันได้แล้วก็โดยเฉพาะพระที่ไปเชื่อเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเ เรื่องที่น่าเสีนดายวังก่อนเนี่ยมีคนส่งภาพพระซึ่งถือพุ่มธูปเทียนนะฮะไปไหว้ร่างทรงอย่างเนี้ยทางทางเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้หญิงทางจังหวัดพิจิตรเทียด้วยนะมาก็ไปร่างทรงเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็สืกว่าทางจังหวัดพิุนุโลกอ้างตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าได้ แล้วก็เราก็แห่กันไปที่สําคัญอย่างยิ่งคือมีพระไปมีส่วนร่วมอยู่ทุกแห่งไอต้ตรงนี้ยคือน่าน้อยใจมากองค์กรสงฆ์มันอ่อนแอในการที่จะฝึกปลืออบรมคนที่บวชเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่อ่อนแอช่วงนี้มันอ่อนแอทั้งระบบเนะี่ยเพราะว่าพระพระเองก็เลื่อนไหลประชาสังคมคือสังคมไม่ฝึกปรือให้คนเราอยู่ยังมีเหตุผลให้มีความคิดมันเป็นระบบ ขเขรยกว่าพิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือนั่นคือหลักการที่พระเจ้าสมวางไว้ทั้งฝั่งอะไรพระปโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาแห่งตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี